Namo-tatsa Ako-ato arahato sama sambu Namo-tatsa ako arahato sama sambu Namo-tatsa ako arahato tham buddhassa swakha tu bhagavata dhammo ti ti macca dhamma pariyatta atthu sadhāya samantehi a one knee. Bits คุณคิดครับเดินสิเบ็จบ้าน เริ่มตั้งใจฝึกปฏิบัติกาม เมื่อเราปรชาแล้วพวกเราทั้งหลายก็การพระกี่นาทีคงตบบางกาฐษิกา ตลอดเริ่มประพฤติปฏิบัติธรรมตามคิลมธรรมใหญ่ตั้งมาใส่ขึ้นความประมาท มีอยู่หรือไม่เราได้ทําพระหน้าที่ของเราอย่างเต็มเป็ด การได้ประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็น เถรวีนสมาธิภาวนาปฏิบัติพระวัดที่อุปจายะวัด Satsingh viha-ri Ante-masi Jabun pati-bat Kodi Wat Vicu Ara-mikawat Kandure-raksa Ara Pai-nai-buri-vinted en tornar va llong